ทีนี้พระนางพุสดีราชเทวีเอ้าทั้งงั้นก็มาจะถามทํา จึงเสด็จไปด้วยศิวิกากาญจนะเนี่ยนะม่านเนี่ยปกปิดประทับ ที่มีม่านปอกเป็ดทีนี้ไปพอดี Kort plooi, crumb, crew, en lahoi, hai wa, wrong, hai niet toek, ben, toek, ben, toek, ben, toek, So got tok, parit, wak, got got tok, tok, i got tok, man, ความคับแค้นใจก็ทุกข์ทุกข์เพราะพลัดพรากฟังให้ดีก็จะมีกราบโดยมากประกาศทุกข์อริยสัจสัสส่วนใหญ่ว่าเออนี่นะทุกข์ว่าจะจากที่จริงยัง คือการพลัดพรากก็เลยทุกข์ก่อนพรากว่างั้นเถอะจริงๆแม่เนี่ยนะมาจะขอจะขอตายตายยังยังจะดีกว่านะ ยังไงก็ตายอยู่แล้วนะแต่อาจจะช้าเร็วหน่อยนะเหตุฉนัยชาวซีพีจึงให้ขับลูกเวสสันดรผู้ไม่มีความผิด เหตุคะนายชาวรภันคาร CP จึงจะให้ขับไล่เจ้าเว่สันดอนลูกรักผู้ไม่มีโทษผิด เฮยชนายชาว CP จึงได้ขับไล่ลูกเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดผู้เกื้อกูลต่อพระเจ้าแผ่นดิน พระศรีสัพไพศรีเนี่ยก็มาจากคําว่าสิริเนี่ย ก็กล่าวว่ารวงผึ้งเนี่ยมั้ยมันจะร้างฉะนั้นเนี่ยนะก็คิด อย่าๆนะขอพระองค์อย่าทรงขับไล่พระราชโอรสผู้ไม่อย พระเจ้าสรรชัยพอฟังอย่างนี้เข้าก็บอกว่าเมื่อเราขับ ของบ้านเมืองว่าบ้านเมืองเค้ามี รักมากยังไงก็ทิ้งๆนะเหล่าทหารถือธงและเหล่าทหารม้าเป็นต้น <c oughs> วันนี้พ่อจะไปแต่พระองค์เดียวเนี่ยนะก็นึกถึงล้อมหน้าล้อมหลังมีผู้ต้อนรับรับเสด็จเยอะแยะไปหมดอ้าวตอนสีดุจแมลงค่อมทอง พระว ไม่มีใครนําผ้ากาสาวะและหนังสือ แม่มัสสีจะนุ่งห่มผ้าคากรองกะไรได้ผ้าคากรองก็คือเอาผ้าๆเอ่อเปลือกไม้นะเปลือกไม้มาแล้วก็มาได้ยังไงแม่มัสสีเคยและโขมพัทธ์และแม่มัสสีเคยเสด็จไปไหนไหนด้วยศีวิกากาญจนะคามถามได้รถพระ แม่ผู้มีพระวรกายหาที่ตีไม่ได้จะต้องดําเนินไป ไปไหนเคยมีสตรีนับด้วยพันนางเนี่ยนะนำเป็นแถว ร้องอยู่ก็จะต้องสะดุ้งกลัวเนี่ยองค์สั่นดุจเลยมั้งเนี่ยนะวันนี้แม่ผู้ตัว ปกติเข้ามาแล้วจะต้องเห็นลูกเห็นหลานเห็นสหายเห็นอะไรใช่มั้ยมาครั้งนี้ถ้าแล้วจะทําใจยังไงวะเนี่ย ก็บอกว่าตัวแม่เนี่ยจะหมกมุ่น От pisgiendeu Oohh amtest ahon kung yod ga jare be behind the Come on. Beginning Paura Wag 50, Hsource Grip. Yes. what I have. There are a lot of Ils that 750. My son are of Fahadfung Wraising. My son cannot be for their appeal for their possibly beyond. Right. And spirit killing of them do so closely right away. So where did my son take you right? Today, herrin is your wholewhich. Are Christians for their rout? One nha. Let Jesus have a challenge. That's the turn! Non- były subject.fecture? Is she at it beautiful. She isencias for this. 3 ชั้นไม่เมนลูกสะไพลูกแล้วก็จะทุกข์กันนะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นส่วนราชบริพารปริจาริกาทั้งหลายในพระ รังเนี่ยนะ ฝ่ายข้างวังพระเวสสันดรก็พากันลงนอนยกแขนทั้ง 2 ร้องให้ประหนึ่งหมู่ บ้านเมืองมันจะเป็นยังไงก็ฟังธรรมอยู่ดี ก็ยังชอบเล่ากันต้องการโภชนาหารโดยชอบทีเดียวอย่า มันคล้ายๆไปนะคนที่เลี้ยงแขกแล้วก็คิด ดดคนเมาสุราเนี่ยนะหรือคนเหน็ดเหนื่อยชาวซีพีเนี่ยเหมือน ในเมื่อพระเวสสันดรมหาราชผู้ยังแว่นแคว้นแห่งชาวศรีป พอพระราชาออกคําสั่งไล่ถามว่าใครจริงไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยพระ โดยความต้องการของชาว CP พระ 700 เชือกเนี่ยนะล้วนประดับด้วยคชารังการมีเครื่องรักกลางตัวเนี่ยนะแล้วไปด้วย พร้อมเอ่อเรียกว่าช้างเป็นหัวหน้านะแต่จริงๆแล้วรวมทั้งผู้อาจารย์ 700 ตัวพร้อมกับไปด้วยอัศวภรณ์เนี่ยนะเป็นชาติม้าอาชานายสิน แล้ว 700 คันอันมั่นของมีทองเนี่ย 1 กองสตรี 700 คนคน 11 เนี่ยอยู่ Tong meer alangar, sier, nung, Hong paarse, geel, bedap, aporn, sier, geel, meer duong, ta, yim, voord en koi, prut, bang, na, yim, en koi, prut. Op, op, op, op, op, op, op, op, op, op, op, op, op, op, op, op, op, op, op, ทาสี 700 คน 700 คนอ่ะนะพระองค์ช้างม้ารถและสตรีอันตกแต่งแล้วต้องนิราช นินิราจากแว่นแคว้นของพระองค์นั่นเป็นอัศจรรย์อัน มีอธิบายเพิ่มเติมตรงที่ให้เล่าว่าพระเวสสันดรเนี่ยทรงทราบว่าการให้น้ำเมาเนี่ยเป็นทานที่ไร้ผลถ้ามีลินทปัญหาพูด เอาบอนารายณ์เนี่ยนะไม่ได้ อย่าง 700 ตัวเหมือนอย่างนั้น 700 คันห่มด้วยหนังๆมีธงทอง 700 คนประดับด้วยสัพพอลังการทรง 700 นาง แล้วก็ให้แม่ 700 ตัวซึ่งเป็น 700 คนเนี่ยนะผู้ 700 คนเหมือนอย่างนั้น เนี่ยนะชาวซีพีรัตน์ขับ ก็บอกอันนี้ให้จริงๆนะไม่ได้เขียนว่ามาเพื่อหลอกล่ออะไร คือผู้ที่เคยถูกตัวเองเนี่ยบริจาคไปหลาย 18,000 เนี่ย เข้าข้าแต่พระมหามุนีผู้นายกหม่อมฉันทั้งหลายมีชาติชราพยาธิและ โปรดประทานโทษแก่มอมฉันทั้งหลายเถิดคือกล่าวถึงภิกษุนี้ 18,000 รูปไปขอลาเพื่อจะดับขันปรินิพพานนั่นเอง ทีนี้พระศาสดาก็ตรัสว่าท่านทั้งหลายผู้ ข้าแต่พระมหาวีราเจ้าผู้มีจักศูกิ д Jesuit ผู้เป็นนายกของนวลชนพ Just Сп Samuel Access Church โรละลึกชาติได้หมดอาสวะแล้วแล้วในสำนักของพระองค์ม่อม ข้าแต่พระมหามุนีอธิการเป็นอันมากของหม่อมฉันทั้งหลายย่อมเป็นประโยชน์แก่พระองค์ขอพระองค์ทรงระลึกถึงกุศลกรรม แม้ชีวิตก็ไม่ได้เสียใจแสดงว่าเคยถูกว่าแม้ขอเป็น ข้าแต่พระมหามุนีพระองค์นี้ประทานหม่อมฉันทั้งหลายเพื่อเป็นอุปการะหลายพันโกรธกับ ทำความ พระองค์ตรัสบอกแก่ม่อมฉันทั้งหลายว่าเราทั้งหลายจักให้ทานกับพวกยากจกเมื่อเราให้ทานอันอุดมเราทั้ง คราวที่ได้รับความทุกข์ก็ไม่เสียใจคือโดยมัคคาอันสม ผู้เป็นเทพผู้ประเสริฐมาเป็นอันมากพระองค์ สามารถจะสร้างบําเพ็ญบุญสําเร็จได้ยังไงเนี่ยนะก็เหมือนถ้าใครอย่างอ่าสมมุติอย่าง ของหม่อม พวกเราด้วยใช่ไหมเราด้วยใช่มั้ยก็ดูว่าของเรามั้ยดูๆบางอย่างก็ไม่ได้รู้สึกค่อยรีบอะไรนะเออสบายๆเนี่ยมันไม่ได้ อ่าไม่ใช่เอามากล่าวเฉยๆเนี่ยนะซึ่งในชาดกก็จะขัดกับคัมภีอปทานเนี่ยนะถ้า ต้องไม่ลืมว่า